s a a a gatcha. s a m h a s a d r a m g a c h a s a a m s a d r a m gatcha. m s a d g h s a a a m g a c h a อ, อ, อยากให้พราอาจารย์ช่วยแนะนำครอบครัวที่ก่อนที่เขาจะมีบุตรนะเจ้าค่ะว่ า, <อ> ว, าว่าจะต้องวางจิตยังไงเพราะว่าอยากจะได้บุตรที่เป็นเป็นผู้ที่เออเป็นเป็นบุตรที่เลี้ยงง่ายเป็นบุตรที่ด<อ>ีย อ, อย่างนี้เจ้าค่ะถ้าชั้นคำสอนเนี่ยพ่อและแม่ต้องปฏิบัติคำตามคำสอนถ้าพ่อแม่สมาธานศีล สมาทานกุศลสหรือกุศลกรรมบท10อย่างตั้งมั่นยึดมั่นในกุศลสและกุศลกรรมบท10ทั้งพ่อและแม่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถามว่าคนไม่ดีทั้งหลายจะไม่มาเกิดกับคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเพราะว่าเพราะว่าคนที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยธาตุเขาก็จะไปเกิดร่วมกับคนที่ไม่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่พระบรมศาสดา ก, ก็ ประทับอยู่แล้วก็ชี้ให้ภิกษุทั้งหลายบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหมก็ชี้ไปบอกว่าบอกว่ามีภาษาริบุตรกลุ่มหนึ่งก็มีสัตวิทวิหาลิของท่านเดินตามเป็นแถวพระโมกขานะพระอนนท์พระมหากัสปะเป็นต้นไล่ไปตามหลาผ้านุรธธุทธะบอกว่าพระที่ชอบทางด้านปัญญาข้นขวายในการศึกษาด้านปัญญาต่างๆก็จะเดินตามภาษาริบุตรเป็นแถวเลย พระที่ชอบทางด้านอิทีลิทีทั้งหลายนี่ก็เดินตามพระโมกขลานะเป็นแถวเลยเนี่ยพระที่ชอบเป็นพระหูสูตรทรงทำทรงวินัยก็เดินตามบ้านนนท์เป็นแถวพระที่ชอบทิพจักสูใช่ไหมตาทิพก็เดินตามพระนุรุตเป็นท่าเป็นแถวพระที่ชอบถือธุดงคขวัตอยู่ป่าเป็นวัดก็ตามพระหมหากระสรเป็นแถวเนื้อไล่ไปตามลําดับจนถึงพระที่รามกทั้งหลายก็เดินตามพระเทวทัตเป็นแถวคือพระศาสดาก็เลยชีย้ดูนี่ไง สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยธาตุสมาคมกันด้วยธาตุโลภะธาตุโทสะธาตุโมหะาธาตุสัตว์ทั้งหลายที่มากด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็จะน้อมไปในไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันในสมาคมเดียวกันในสังคมเดียวกันตรงนี้ก็ได้มุมมุมมองอีงกรรมและเมื่อเรารู้อย่างนี้บุคคลที่ปรารถนาบุตรที่ดีทั้งหลาย สามีภรรยาควรสมาทานศี่หกุศลกรรมบทสิบให้ตั้งมัน่นแล้วก็อธิษฐานขอให้คนดีมีบุญจงมากิลักษณะอย่างนี้ชัดแต่ถ้าหากพูดถึงตรงนี้ก็ไปเชื่อมโยงตอนที่ตอนที่พระโมคคลรบุตรติสาเถระเป็นต้นนะหรือพระนาคเษนเป็นต้นที่จะมากิอย่างนี้นะ ในชั้นที่บอกว่าถ้าเราดูอย่างที่พระโมคคะลีบุตรติสะจะมาเกิดนี่นะพอถึงชั้นของทุติยสังขยานาแล้วเนี่ยท่านก็คํานวณดูว่าอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดภัยอย่างร้ายแรงกับพระาศาสนาทีนี้คนดีที่จะมากอบกู้พระาศาสนาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ปรึกษาประชุมกันได้ทําอย่างไรเบสเซตท่านก็เริ่มท่านมีอภิน ญ, ญามีสมาบัตท่านก็คิดถึงเทพตนหนึ่งใช่ไหม เทวดาอยู่ตัวหนึ่งเป็นคนฉลาดมีบุญมากแต่ท่านไม่น้อมที่จะมาเกิดในมนุษย์โลกท่านเห็นว่าจุดเสื่อมมันจะมากขึ้นเหมือนในทุกวันนี้ยคนดีไม่อยากมาเกิดแล้วมันยุคขาลงแล้วอยู่ท่านก็เลยต้องขึ้นไปกันข้างบนพระหลังหันเนี่ยเพราะท่านมีอิทธิฤทธิใช่ไหมท่านไปเลยก็ไปคุยกับเทวดาดเทพประบุท่านบอกขอให้ท่านลงมาเกิดหน่อยเถอะพขาบออ้ไม่เอาแล้วถามทําไมคนไม่ดีทั้งนั้น ถ้ามาเกิดก็มาเกิดในดงกองมิจฉาทิถีแล้วใครจะรับผิดชอบผมถ้ามาเกิดใครจะรับผิดชอบท่านใช่ไหมก็เกิดไปเกิดในดงกองมิจฉาทิถีดงของคนไม่ดีทั้งหลายนี้ท่านก็ถูกชักโยงเสียหายท่านบอกไม่เอาพระหักฐานต้องไปยืนยันบอกว่าอาตมารับผิดชอบมห้รับผิดชอบกี่องค์ท่านก็ดูดูดโอ้พระหลักฐานพูดคาไหนคำนั้นท่านก็ถึงน้อมจิตขอตายอะ คือคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยน้อมจิตตายได้นะเทียบที่มีบุญทั้งหลายเราเนี้ยเหมือนคนคนมีศีลเนี่ยอธิษฐานอะไรก็ได้ถามว่าเร า, เราลองมีศีลแบบแข็งแรงตั้งมั่นในกุศลกรรมบทสิทธิ์ดีจริงๆริงไงปรารถนาสมมาสัมปมวิยานยังได้เลยพระเจ้าเนี่ยคนดีมีศีลใช่ไหมปรารถนาสัมมาสัมปวิญานแต่ไม่ใช่แค่ปราถนานะท่านทำเนียกล้าไหมล่ะ ถ้ากล้าขอให้เป็นคนตั้งมั่นยึดมั่นในกุศลกรรมบทสิบยึดมั่นในศีลจริงๆนะแล้วกล้าที่จะเดินฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดเนี่ยคว้าสามมาสัมริียาณได้แต่กล้าไหมล่ะศึกษาให้ดีเราจะรู้ไม่ใช่ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนี่เหมือนการพอผ้าหันทั้งหลายรับรองท่านท่านก็น้อมจิตเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในในพิภพในภพนั้นแล้ท่านก็จติก็มาเกิดในครรภ์ของนางพระมณ ซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นมิจฉาทิถีด้วยพอพระอรหันต์ท่านทราบปุ๊บท่านก็เริ่มวางแผนมาแล้วโอ้โหเอา้าท่านรับผิดชอบเอาเด็กในคันเนี่ยมาบวชให้ได้อย่างเงี้นะโอ้โหท่านต้องทนมากเลย่านเดินไปให้เขาเห็นหน้าเดินไปยืนให้เขาเห็นหน้าอยู่งั่นนะปีหนึ่งส65้าวันทําอยู่อย่างนั้นในเะจ็ดปี เขาไม่ทักด้วยเขาไม่คุยด้วยเงี้ยตลอดเวลาอยู่เงี้ยทําอยู่เงี้ยจนจนเด็กเกิดมาแล้วงั้นมีอยู่วันหนึ่งก็ก็ยืนเงี้ยภรรยาเห็นโอ้โ oh, หพระรมนี่ยทำไมมายืนทุกวันเนี่ยนะเขาขอพูดหน่อยบอกท่านอย่ามายืนเลยบ้านเราไม่ได้ศรัทธาท่านเราท่านก็ท่านก็เดินยิ้มได้แล้ววันนั้นนะไปผ่านสามีของนางพระมณีนางพระมณีก็ถามยังไม่ เ, เอใจว่าเอ๊ะหรือได้ข้าวบ้านเราไปน็นมัง่งเนี่ยเลยนะื ก็ถามบอกว่าวันนี้ท่านได้อะไรเนาะอ๋อวันนี้อาตมาได้โห้ย โ, โกรธมากวิ่งไปก็ไปตำหนิภรรยาว่าไปให้ทาไมเราไม่ได้ให้เลยพูดคำเดียวแค่นั้นเองว่าอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เลยต่อไปไม่ต้องมายืนห็อกกว่าั้นไม่ต้องมายืนหรอกเพราะบ้านนี้ไม่มีศรัทธาเชิญไปบ้านอื่นเถอะไปก็กลับไปที่ว่าก็ไปด่าพาระก็มษาเนี่ยานห็บอกไมหรอก ที่ได้นะก็คือเจดที่ห้าหกปีมันยังไม่เคยได้เลยวันนี้ได้คําพูดไงได้คําพูดด้วยนะั่นเลยโอตะลึงเลยใช่ไหมสมณะสากยะบุตรพุทธชิโนรสเนี่ยแม้เพียงคําพูดแค่นี้ท่านยังเห็นคุณขนาดนั้นเลยก็เลยตั้งแต่นั้นก็นิมนต์นิมนต์และที่สุดจริงๆก็ดึงเด็กดึงเด็กออกบวชได้เลยเนี่คือพระหันต้องรับรองขนาดนั้นถ้าอย่างเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในท้องคนในยกเนี้ย มีใครรับรองชีวิตเราไหมนีม่ไงอันตรายมากฉะนั้นถามบอกว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ได้คนดีมีอย่างเดียวพ่อและแม่จงสมาทานให้มั่นในกุศลกรรมบทสิทธิ์และอธิษฐานเถอด